รวมสิกขาบทที่มีในภูตะคามะวัคหนภูตะคามะสิกขาบทว่าด้วยการพรากผู้ตาาม 2. ออัญญาวาทกะสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวกลบเกลื่อน 3. อุชชาปนากษัสิกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษ 4. ปัทมะเสนาสนะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะข้อที่หนึ่ง 5. ทุติยเสนาสนะสิกขาบทว่าด้วยเสนาสนะข้อที่สองหอนุปคััดชะสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซง 7. นิกกันดเนสิกขาบทว่าด้วยการฉุดลากออก 8. เวหาสะกุติสิกขาบทว่าด้วยกุดีชั้นลอย 9. มหันละกาวิหาระสิกขาบท ว่าด้วยการสร้างวิหารใหญ่สิบสัพปานกะสิกขาบทว่าด้วยสิ่งมีชีวิต